คุณค่าทางจริยธรรมตามปกติมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่าตัวตนที่แท้ของตนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งบางก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตนบางก็ยึดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้นซึ่งเป็นเจ้าของ และเป็นตัวการที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่งการแสดงขันห้านี้มุ่งให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเป็นต้นนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบห้าส่วนเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนต่างหากได้และแม้ขันห้าเหล่านั้น แต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงในรูปที่สัมผัสเนื่องอาศัยกันไม่เป็นอิสระไม่มีโดยตัวของมันเองดังนั้นขันห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกันพึงสังเกตพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายการที่ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้และเข้าไปยึดถือร่างกาย อันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ว่าเป็นตัวตนยังดีกว่าจะยึดถือว่าจิตเป็นตัวตนเพราะว่ากายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีน่นี้ยังปรากฏให้เห็นว่าดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสาม ส, ามสี่ห้าปีบ้าง10ถึงห0ปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิต มโนหรือวิญญาณนี้เกิดดับอยู่เรื่อยทั้งคืนทั้งวันรวมความว่าหลักขันห้าแสดงถึงความเป็นอนัตตาให้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆหน่วยรวมของส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวตน ส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองก็ไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่มีเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็จะถอนความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ความเป็นอนัตตานี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อเข้าใจกระบวนการของขันห้าในวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท ที่จะกล่าวต่อไปอันหนึ่งเมื่อมองเห็นว่าขันห้ามีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดความเห็นผิดว่าขาดศูนที่เรียกว่าอุเฉท ท, ทิฐิและความเห็นผิดว่าเที่ยงที่เรียกว่าสัสตตตทิฐิ นอกจากนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนและมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและกันเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักกรรมโดยถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไรกระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายนี้มีคำอธิบายอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกัน อีประการหนึ่งการมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกส่วนประกอบออกไปอย่างวิธีขัน5้านี้เป็นการฝึกความคิดหรือสร้างนิสัยที่จะใช้ความคิดแบบวิเคราะห์ความจริงคือเมื่อประสบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆความคิดก็ไม่หยุดตันอึง้งยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเท่านั้น เป็นการสร้างนิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริงและที่สําคัญยิ่งคือทาให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะล้วนๆของมันหรือตามแบบสภาวะวิสัย objective คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่นำเอาตันหาอุปาทานเข้าไปจับอันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เรียกว่า สกาววิสัยหรือ subjective คุณค่าอย่างหลังนี้นับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการของพุทธธรรมและของหลักขันห้านี้คือการไม่ยึดติดถือมั่นและการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยการใช้ตัณหาอุปาทานแต่เข้าไปเกี่ยวข้องจัดการด้วยปัญญา อย่างไรก็ดีในการแสดงพุทธธรรมนั้นตามปกติท่านไม่แสดงเรื่องขันห้าลำพังโดดโดดเพราะขันห้าเป็นแต่สภาวะที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสําหรับพิจารณาและการพิจารณานั้นย่อมเป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรมอย่างอื่นที่เป็นประเภทกฎสําหรับนํามาจับหรือกําหนดว่าขันห้ามีสภาวะเป็นอย่างไร มีความเป็นอย่างไรเป็นต้นคือต้องแสดงโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างอื่นเช่นหลักอนัตตาเป็นต้นจึงจะปรากฏคุณค่าในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงขอยุติเรื่องขันห้าไว้เพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับนำไปพิจารณาในหลักต่อๆไป